าการตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีตอนนี้นั่งสมาธิภาวนาทุกคนต้องสนใจในการนั่งสมาธิภาวนาเพราะการนั่งสมาธินี่มันเป็นการฝึกจิต ให้สงบฝึกกีดให้เข้มแข็งเพื่อเผชิญกับเหตุต่างๆในโลกนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนเหตุนั้นมันถึงได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แม้ตะกิเลตันหาก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันดังนั้นทุกคนให้พิจารณา <c oughs> พิจารณาให้มันเห็นเช่นความรักอย่างนี้นะไม่เห็นว่ามันยั่งยืนเลย <c oughs> เวลารักกันมาแล้ว น้ำต้มผักก็ว่าหวานคนว่าเวลาชังกันมาแล้วน้ำตาลก็ว่าขมเจรใจของผู้ทุชนไม่แน่นอนยอมพลิกแรลงไปตามอำนาจของกิเลสที่มีอยู่ในใจดังนั้นอย่าไปเชื่อมันมากนักกิเลสนีนะ่ะ มันเป็นของไม่เที่ยงมันกลับกรอกมันจึงได้ทำจิตของคนเราให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นเองถ้ามันเที่ยงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับเลยนี่มันก็ดีสิมันก็จะได้สบายใจไปเมื่อความรักเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันไม่เบื่อไม่นายเลย มันรักเลยไปตลอดอนันตการไปนู่นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ควรแท้แหละควรส่งเสริมความรักจริงๆไอแต่นี้มันหาเป็นเช่นนั้นไม่ไม่เช่นนั้นแล้วคนเราแต่งงานกันมาแล้วมันจิได้อย่าร้างกันหรือ ส่วนมากก็มีอย่าร้างกันเยอะแยะคนแต่งงานกันมาแล้วในโลกอันนี้นะก็เพราะใจของปุถุชนนี่มันกลับกรอกนั่นเองนะรูปนี้เป็นสิ่งที่น่ารักแล้วได้มาสมประสงค์แล้วขั้นไปเห็นรูปอื่นผันยังสำคัญว่า เอ้อรูปนี้มันยังสวยกว่ารูปนั้นเอาดิ้นล้นแสวงหาเมืม่อได้รูปนั้นมาแล้วก็ทิ้งรูปนี้ปล่อยให้เกิดความทุกข์ระทมไปทั้งตนและทั้งผู้อื่นแม้ความชังก็เหมือนกันนะ มันก็ไม่ยังยืนเหมือนกันแหละเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกลียดชังกันไปช่วงระยะหนึ่งถ้าหน่อยหนึ่งอารมณ์นั้นหายไปแล้วความชังนันก็หายไปตามกันเกิดความรักกันขึ้นมาแทนก็เป็นอยู่เยอะก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ จิตใจของปุถุชนเพราะฉะนั้นมันจึงเอาแน่นอนอะไรไม่ได้โหเจริญสมาธิภาวนาเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันจึงได้รู้แจ้งว่ากิเลสนี่มันมีมายา มันหลอกให้คนเราหลงเมาติดอยู่ในโลกอันนี้หนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปหลงไหลมายาของกิเลสตัณหาดังกล่ามานั้น ควรพากันใส่ใจพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงเมื่อมันไม่เที่ยงก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นแต่มันเกิดแล้วก็ดับไปถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าก็จะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความกำหนัดยินดี เช่นนั้นแหละจิตอันนี้เนยะเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันจะไปคลายได้ยังไงล่ะมันชอบใจอยู่มันก็ยึดถือเอาไว้ <c oughs> ดังนั้นการทำใจให้สงบนี่นั่นจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเราจริงๆสำหรับผู้ที่ต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์ แล้วเช่นนี้ไม่มาทำใจนี้ให้สงบตั้งมั่นลงแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้แม้จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กี่ชาติก็ตามแหละถ้าหากว่าปล่อยใจนี้ยังให้หลอดแหลกเหลวไหลไปอยู่ตราบใดแล้วก็จะต้องได้ประสบกับความทุกข์นี่อยู่ตราบนั้นเองทีเดียวทุก มันไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจดวงเดียวนี่แหละร่างกายมันก็ไม่ว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่ามันมีลักษณะของทุกข์ปรากฏให้จิตรู้อยู่คือความไม่เที่ยงของร่างกายนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของความทุกข์ของร่างกายแต่ถ้าหากว่าไม่มีจิต นี่มาครองอาศัยอยู่แล้วมันจะไม่มีใครรับรู้ความทุกข์ของร่างกายอันนี้เลยก็เพราะจิตเนี่ยมาครองอยู่นี่จิตจึงเป็นผู้รับรู้ความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้อา้าวเจ็บแข้งปวดขา จิตนี่แหละเป็นผู้แสดงออกเปล่งออกมาทางวาจาว่าเจ็บแข้งเจ็บขาแต่ถ้าไม่มีจิตดวงนิยศัยอยู่แล้วไม่มีใครจะเปล่งวาจาอย่างนี้ออกมาได้เหมือนอย่างคนตายอย่างนี้นะมันพูดอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะเก็บจะปวดอะไรเลย แม้เขาเอาไฟเผาก็ไม่ได้ร้องควรครางแต่อย่างใดนั่นแหละเป็นเครื่องส่อยหเห็นว่าดวงจีดดวงนี้แหละเป็นผู้รับรู้กับความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความดีความชั่วความเสียใจดีใจอะไรมันก็มารวมลงที่จิตดวงเดียวนี้เอง อย่าไปสำคัญอย่างอื่นถ้าผูใ้ใดภาวนาสำพรวมจิตนี้เข้ามาภายในมาตั้งอยู่ภายในแล้วมันรู้หมดนั่นแหละบากก็รู้บุญก็รู้คุณก็รู้โทษก็รู้ทุ ก, ก็รู้สุขก็รู้ดีชั่วก็รู้ รู้ทางนั้นแหละขอให้ใจตั้งมั่นอยู่ภายในนี่เช่นอย่างร้อนมามันก็กําหนดรู้ว่าร้อนหนาวมาก็กําหนดรู้ว่าหนาวอ่าอย่างนี้แหละถ้าได้ประสบกับอนิจฐานารม์อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมันก็รู้ถ้าได้พบกับอิทธารม อารมณ์ที่น่าชอบใจน่าพอใจมันก็รู้ <c oughs> ถ้าใครด่ามามันก็รับรู้ว่าเขาดา่าถ้าใครสรรเสริญมามันก็รับรู้ว่ามีคนนั้นเขาสรรเสริญ <c oughs> กรองสังเกตดูว่ะ อะไรอะไรก็มาลงที่ดวงจิตนี่แหละหมดพนานาไปแล้วมากมายเหลือเกินแต่แต่เมื่อรวมความลงแล้วก็ได้แก่รูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งห้าอย่างนี้นะมันมาสัมผัสดวงจิตนี่ทั้งนั้นเลย ในเมื่อจิตยังองาศัยขันธ์ทั้งห้านี้อยู่สิ่งทั้งห้าอย่างนี้มันก็มาสัมผัสกับดวงจิตนี่แหละทีนี้เมื่อจิตนี้ขาดปัญญาขาดสติสมัตชเนืรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็หลงยินดีหลงยินร้ายหลงเสียใจเศร้าโศก ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักให้พอใจบ้างอันเป็นที่น่าเกลียดน่าชังบ้าง <c oughs> อจิตนี่มันก็แปรผันไปตามอารมณ์เหล่านี้แหละเมื่อมันไม่รู้ไม่ฉลาดเหตุดังนั้นมันดึงได้ป็นทุกมันจึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพราะว่ามันไปแย่งรูปเสียงกลิ่นรสของกันและกันนี่แหละถ้านักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ได้เจริญสมาธิภาวนาใจเน่าแน่ลงไปแล้วปัญญาบังเกิดขึ้นพระองค์ก็เห็นความจริงของรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วจึงไม่ไปแย่งชิงเอา อะไรกับใครพระองค์จึงโปรงจรึงวางจึงสละหมดทั้งโลกอันนี้เพียงแต่อาศัยเรี้ยงที่ไปชั่วระยะเวลาบุญกรรมยังไม่หมดไปสิ้นนี้เท่านั้นเองเนี่ยเมื่อบุญเก่าที่พระองค์สร้างมาหมดสิ้นลงเมื่อใดพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไป ก็เพี น, นันว่าไม่ต้องมายุ่งยากอยู่ในโลกนี้อีกไม่ต้องมาเบียดเบียนกันให้เป็นทุกข์ทนทรมานไม่ต้องมาประครบประงมเรียงดูขันธ์ห้าอันนี้ให้ทุกข์ยากลำบากแต่อย่างไดแต่สำหรับดวงกิดที่ยังไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้ว ถึงแม้ว่าขันห้านี่มันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันก็ยังอะไรมันอยู่นั่นแหละมันก็ยังชอบใจกับขันหานี้อยู่ไม่อยากพัดพรากจากขันห้าอันนี้ <c oughs> เหตุดังนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์ดวงขีดดวงนี้นะเพราะว่ามันอวงใยอะไรของไม่เที่ยง <c oughs> มันอะไรของไม่เที่ยงมันอะไรของที่มันเป็นทุกข์ทนยากลาบากมันอะไรกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเหตุ <c oughs> ังนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์มันไม่มันบังคับไม่ได้ถึงมันบังคับไม่ได้อย่างนี้มันก็ยังอะไรอยู่รองสังเกตดูดวงกีตานี้นะ จะมาให้เป็นทุกข์อย่างไรเล่าเพราะไปอะไรในของไม่เที่ยงไม่ยังยืนมันแปร่ผันเรื่อยไปนี่ได้มาทีแรกก็รู้สึกใหม่ท่านบริโภคใช้สอยนานไปก็เก่าไปเก่าไปชำรุดไปในที่สุดก็แตกทำลายลงร่างกายอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเครื่องยนต์นกลไกต่างๆ เช่นรถยนต์เรือยนต์เป็นต้นเมื่อใช้ไปใช้ไปเครื่องจักรมันก็หลวมเมื่อเครื่องมันหลวมแล้วมันก็ไม่มีกำลังไม่มีกำลังเข้มแข็งอยู่เต็มที่เหมือนแต่เดิมถ้ามันหลวมจีกงีก็เวลาก็ใช้ไม่ได้เลยบรรทุกอะไรไปก็ไม่ไวอุปมา เหมือนกับร่างกายของคนเรานี่แหละ <c oughs> <c oughs> เมื่ออาศัยมันนานไปนานไปบุญกุศลที่ตามตกแต่งรักษามันร่อยหลอลงไปร่างกายนี่มันก็ทุดโทมไปอ่อนเพลียไปไม่มีกำลังเข้มแข็งเหมือนอย่างเวลาที่บุญกุศลมันยังรักษาเต็มที่อยู่บุญกุศลยังมีกำลังเต็มที่อยู่ มันก็ยังเต้นสามซอกออกสามวาได้ท่านเมื่อบุญกุศลที่สร้างสมอบรมมาแต่ก่อนนั้นมันอ่อนกําลังลงมันจวนจะหมดเข้าไปเท่าใดร่างกายนี้ก็สุดโทมไปเท่านั้นอ่อนแอไป <c oughs> ไปแข็งแรงเหมือนแต่เดิมอะไรอะไรก็ชำรุดสุดโทมไปตาก็มัวหูก็อื้อ ผิวหนังก็ตกกระหนังก็ยอนยานพันก็โยกครอนเจ็บปวดผมก็เริ่มงอกกระปลายไปโดยลำดับให้แข้งขาอะไรก็อ่อนแออ่อนเพรียเจ็บบ้างปวดบ้างคัดบ้างตามข้อต่างๆหมดเลยลุกก็ยากนั่งก็ยาก เดินเหินไปมาทางไหนก็ต้องระมัดระวงังไม่เช่ น, นกกหกล้มเพราะว่ากำลังที่จะพยุงร่างกายซึ่งมีน้ำหนักตั้งห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบกิโลนี้ไว้ได้เ <c oughs> <c oughs> พราะเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางตรัสว่าชาราปิดุข่าความแก่ก็เป็นทุกข์ ลักษณะอาการของความแก่ดังพราณา m a n u a l ยอมมีอยู่ในรูปกายอันนี้ทุกรูปทุกนามเลยทีเดียวถ้าอยู่ไปนานๆแล้วหลีกไม่พ้นแน่นอนทีเดียวดังนั้นผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่นก็ไม่ควรที่จะไปหลงละเลงกับร่างกายอนที่ยังหนุม่มยัยวัยหนุ่มเนี่ว่าทนแข็งแรง <c oughs> แล้วผู้เป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วก็อยากจะซึกออกไปไปลื่นดังบันเทิงกับโลกเขาเพราะว่าตนยังหนุ่มยังแน่นยังมีกำลังวางชาดีอยู่ให้ผู้คิดเช่นนั้นนะก็คิดเป็นไปเพื่อความเนื่นช้า เมื่อไปลื่นเลิองบันเทิงอยู่กับลูกเสียงกินรดเครื่องสัมผัสแล้วก็ไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลไม่มีโอกาสทำความเพียรละกิเลสตัณหาการลื่นเลิองบันเทิงเช่นนั้นเป็นการสั่งสมกิเลสตัณหาให้หนานแน่นขึ้นในใจเมื่อกิเลสมันหนานแน่นไปเท่าไรทุกมันก็ยิ่งติดตามรลังขวานไปเท่านั้นแหละ เพราะว่ากิเลสกับกองทุกข์มันสายเดียวกันมันมาด้วยกันเมื่อมีกิเลสล้วก็มีทุกข์มาพร้อมแล้ก็เป็นอยู่อย่างนี้หละเมื่อมีความโลภแล้วมันก็ไปสะสมไปหลอกไปลวงไปชอบโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตอนก็ เมื่อเจ้าหน้าที่เขาจับได้ฟองร้องก็ไปติดคุกติดตารางนั่นจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรเล้วความโลภอะ่ะหรือมีฉะนั้นได้สมบัติเข้าของเงินทองอะไรมาแล้วห่วงเห็นไว้ไม่อยากใช้ไม่อยากจ้ายไม่อยากให้ทานใครเลยกลัวมันจะหมดจะสิน้นก็เป็นทุกข์เพราะห่วงเพราะอะไร กลัวสมบัตินั่นจะสูญหายไปโดยอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นทนว่าโจรมาลักเอาไปมาชี้เอาไปวีตกวิจาร์กลัวไฟไหม้บ้านแล้วก็ไหม้สมบัติอะไรหมดกลัวน้ำมาท่วมฉีบห้าหมดเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้วความโลภนี่นะเพราะฉะนั้น พูดแล้วนะความโลภนั่นแบ่งเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งนั่นมันสมบัติที่ตนมีอยู่เท่านี้แล้วไม่จุใจก็คิดจะได้อีกเมื่อหาเอาโดยสุจริตไม่ได้ทันอกทันใจมันก็ต้องคิดท้าในทางสุจริตมีช่อโกงหลอกลวงเป็นต้นดังกล่าวมาประเภทที่สอง เมื่อหามาได้มากๆเข้าไปแล้วเขาก็มาทนีห่วงเห็นไม่รู้จักจัดสรรใช้จ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแต่อย่างใดท่านอุปมาไว้เหมือนกับสุนัขนอนอยู่บนกองเข้าเปลือกขายก็ขายกินก็กินไม่ได้ก็อุปมยฉันใดก็อย่างนั้นแหละ สมบัติในโลกนี้อ่าพูดว่ากายสมบัติหัวจีสมบัติมโนสมบัติแล้วก็ธนะสารสมบัติธนสารสมบัติคือข้าวของเงินทองทรัพสมบัติต่างๆในโลกอันนี้ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เช่นช้างม้าวัวควายเงินทองเป็นต้น อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่นาที่สวนที่บ้านต้นไม้อะไรต่ออะไรหมวดนี้นะมันเป็นของเคลื่อนที่ไม่ได้ของหมวดนี้เมื่อตายแล้วก็เอาติดตามตนไปไม่ได้สักหน่วยเดียวเลย ดังนั้นเมื่อเวลาชวนจะตายมันอะไรสมบัติทัางกล่าวมานี่มันจึงเป็นทุกข์จึงเป็นโศกเดือดร้อนลองพิจารณาดูนี่แหละความทุกข์ของดวงขีดนีนะ่เมื่อเมื่อกล่าวโดยสรุปลงแล้วทุกเพราะยึดถือเพราะยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นของของตน มันถึงได้เป็นทุกข์ทุกข์อยู่ในชาตินี้แล้วยังไม่พอความยึดมั่นถือมั่นนั้นะยังเป็นตัวกรรมติดตามไปทุกแห่งทุกผลแม้จะไปเกิดที่ใดกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทําไว้ในโลกอันนี้มันก็ติดสอยห้อยตามไปทํานวยผลให้ในที่เกิดนั้น น, นอ้นอย่างนี้เรียกว่า คนเราเนะี่ยเป็นอยู่ด้วยอำนาจแห่งกำดีกำชั่วเหตุที่บุคคลจะได้ทำกำดีกำชั่วก็เพราะใจมันยึดมั่นถือมั่นดังกล่าวมานั่นแหละก็ว่นนี้ก็มาแบ่งออกเป็นสองประเภทอีกถ้าไปยึดมั่นต่อความชั่วมันก็ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วไป กรรมชั่วนั้นมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิได้รับทุกขทนทรมานถ้าใจมันยึดมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดียึดมั่นในอยู่ในคุณพรรัลตนาไกลก้วสามประการบุญกุศลที่ใจมันยึดมั่นอยู่นั่นมันก็จะเป็นญาณพาหานะําไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ หรือผู้ยึดมั่นอยู่ในฌานสมาบัติอา น, นิสงส์แห่งฌานนั้นก็จะนําดวงขีดนี้ไปเกิดในพรห ม, มโลกโลกแห่งเท้ามหาพรหมก็เป็นอย่างนี้แ <c oughs> หละออุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าปันจุปารดานคขันธาดุข้าความเข้าไปยึดมั่นถือมัน่น ในขันทังห้านี่มันเป็นทุกข์นี่ท่านเรียกว่าทุกข์รวบยอดดังนั้นเมื่อเราเพ่งพี่นาดูความทุกข์อันพิสดารดังกล่าวมานี่แล้วก็ให้มาสรุปลงที่ความยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละถ้ามาปล่อยวางขันห้านี้ลงได้เสียแล้วก็เท่ากับว่า ปล่อยวางโลกอันนี้ทั้งโลกเลยทีเดียวเมื่อไม่มีขันหานี้แล้วก็ไม่มีโลกอันนี้หมายความว่าเมื่อดวงจิตที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในขันหานี้แล้วก็เปลนั้นว่าจิตที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยถ้าจิตนี้อาศัยอยู่ในขันหานี้อยู่ตราบใด ก็ชื่อว่าอาศัยโลกนี้อยู่เพราะขันห้า ก, ก็อาศัยแผ่นดินอาศัยน้ำอาศัยไฟอาศัยลมอาศัยสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ล่อเลี้ยงไว้จึงเป็นอยู่ได้ดังนั้นน่ะ <c oughs> ก็ชงพากันทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาวินิจฉัย ดูความเป็นไปของโรคทั้งภายในทั้งภายนอกดังพันนามานี่แหละแล้วเราจะได้เห็นได้ว่าการมาอาศัยโรคอันนี้อยู่มันเป็นทุกข์จริงๆแบบ น, นี้นะรวมความลงแล้วนะอั น, นี้มันก็ควรที่จะปรงจะวางเสียไม่ควรที่จะมายึดถือเอาไว้ผู้ที่วางความยึดถือนี้ไม่ได้ทั้งหมด ก็ให้ละวางได้เป็นบางส่วนวางวางส่วนไหนล่ะก็วางส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั่นแหละเมื่อการกระทําอะไรมันจะเป็นไปเพื่อบาปเพื่ออกุศลแล้วอย่าไปทํามันสอนใจให้ละความวิตกอนั่นเสียงั่นนี่วางอนั่นได้ก็ชื่อว่าวางอุปทานความยึดมั่นในบาปอากุศล เดี๋ยวมายึดมั่นอยู่ในกุศลดังกล่าวมาเรื่องนั้นเนละกุศลนี่ก็จะนําไปเกิดในที่สุขสบายเลยไปเมื่อผูใ้ใดละความยึดมั่นในบาปอกุศลได้ในชาตินี้เด็ดขาดออกไปแล้วเออถึงแม้จะไปเกิดอีกก็ไม่เป็นไรหรอกเกิดที่ก็เกิดดีมีความสุขสบายเออ ถ้าจะกลับมาสู่โลกนี้อีกมาเกิดในโลกนี้ก็เกิดดีเกิดในตระกูลสูงเช่นตระกูลพระราชามาหากษัตริย์ตระกูลเศรษฐีกะหะบอดีผู้มีเงินทองมากมาย เ, ออเกิดมาแล้วก็ไม่ลืมความดีที่ตนทํำมาแต่ก่อนบุญกุศลมากระตุ้นเตือนใจให้สั่งสมบุญกุศลบารมี เพิ่มกันเติมขึ้นไปเรื่อยๆไปแล้วให้เกลียดต่อการทำบาปเพราะว่าในชาตินี้น่ะฝึกใจให้เกลียดต่อบาปจนติดนิดสัยเลยเมื่อไปชาติหน้ามันก็เกลียดแหละเรื่องบาปกรรมไม่อยากทำนี่เพราะฉะนั้นใครอยากมีความสุขความเจริญอะไรในชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ดีก็แต่งกายวาจาใจของตนนี่ให้มันดี ให้ตรงตามศีลตามธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสียเมื่อบุคคลสั่งสมบุญบารมียังไม่เต็มแม้นว่าจะปรารถนาร้องอ้อนวอนขอให้พ้นทุกข์พ้นภยัยขอให้ได้บรรลุถึงซึ่งบารมพานอย่างไรมันก็ไม่ได้บรรลุหรอกเ อ, อไม่ได้บรรลุด้วยการอ้อนวอ น, อนให้เข้าใจ บุคคลจะบรรลุพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญบา ร, รมีให้มันเต็มแล้วก็ละบากให้หมดอสั่งสมบุญกุศลให้มันเต็มเมื่อเต็มแล้วก็มันก็ละกิเลสนี้ได้ขาดไปเลยอก็เมื่อกิเลสหมดแล้วก็ไม่มี มูลไม่มีปัจจัยอะไรที่จะ น, นำดวงจิตที่ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใจต่อไปดังแสดงมา